คุณผู้ชมทุกท่าน มัน <c oughs> เป็การที่จะคิดถึงอดถึงทางแม้ในตัวเองทางดีมันยากแต่การคิดเป็นสิ่งไปใ แงให้หรือกรสบายดีะท้รู้ใสดให้อีกไม่างเรื่องจึงจงญาติสัทมสนางธรรมเป็นของาติใ ด, ด ง, งัปแล้วเราจะาาเาาสเขาใจหทำแสดด้ทัมามน แต่ตนนัณหาใจตาปฏิบั ต, นน ต, ต, ต, ตคิความอดทนสี่สิ่งบอกสอนมันก็ยกอีกแต่ตัณ่าใตาปบทตามอดทนแล้วความรู้คเห็นควจมิดใน้ิตสว่าสายจะและจะถอนหน่อยนีก้ก็ยาก อ, อ, อ, อ, อ, อีกมันากหลายขันนี่คือการฝังจากตากของคนอื่น ัสิ่ที่มันคิดช่ของตัวจะดี๋ละในถอนใยอดขึ้นสิ่ที่ชื่อสิงที่นสิ่ที่ดีใ แต่อเป้นกาเชื่อคือเป็นผีเชื่อผีเสี้ยคนผีจะไบไปทำอะไรไปเกิดไปขี่ไปข่าไปเชื่อต่ถ้าจิตที่ไปเกวางแขวนไม่เกจิตจึงเป็นเรืองจิตเราควรส่าใส่เราส่งเมในทางท่วูกนแบบ่ถ แล้วมีวัล่เบื่อใจหน่มีโลกในท้องถานมี่จจะเพ้อจะเพ้อจะเมาจะเม้่ไป อนคุนดู 你我们越白，它显然就越白。 จิี่จักรนเรื่องขาทั้งทั้งเรื่องเราทผ่นกับทางันเดียวกันีอะใหสร้างมีเหตุเป็นอย่งนั้นมันจะต่างกันไแต่จากนี้แต่เราเนี่ยราม่เกิดควาเป็นองนี้ก็บคนนั้วแล้วเาเกิควาเป็นอย่งนี้กับคนส่วนคนเราอยู่เราตายไปเราเดินปไม มันก็งี้เอสำหรับคนที่มีชีวิตตลอเขาใ้เงนีนไปไหคนเพ่อไปซื้อขอมาแล้าของตัวใหญ่ๆอย่างก็ไม่ีใครที่จะมีสิทธิ์เอาไปได้ ในตี๋ขอไปไม่ได้่อผมบอกผมบอกรถป่าฟันอะไรทุกอย่างจรหมเขาหิ้ิ่าีคไม่หนึ่งสี่เดืนไ่อแต่ดเดท้งคันในตี๋ะในตี๋ปเวทั้งคัดี๋ยคันทคั มีจุดหนึ่งจะหลงไปหลงไปเกาะไปอาศัยไปยึดไปถือขาที่ยังาผูกเข้าใจจริงจรมีปล่อยวางข้างในมันมายึดมากกาเชียวจีนีเกาะเชียยึดากนมากมัมันมันต่าอันน้มันเป็กาะอันนั้นมันมต่างนนั้นมันเป็กาอันน้ จิตของเราไม่หยุดดูดูดูทำไม่ได้ไม่ได้ว่าไปว่ายมาไม่หยุดนะจ็กาะอันนี้เกาะอันนี้ก็ที่กามือนทุิตงเราของท่านอยู่กันทุกเก็ะอาลามนะกเกาะอาลามานี่มีความยั่งยืนจะเห็น ใจเป็นธรรมทุกทีทุกอย่างมันเกิดขึ้นมันดับไปนี่ก็คือเป็นธรรมสิที่พี่ป้าเจ้าทหาน่นี้สอนมันเกิดขึ้นจากที่ไหนมันดับไคืออะไรมันเกิดขึ้นจากจิตมันดับลงไปที ก็เมกันนต่ต่งได้ก้มันยิงเก่าอะนะครับแล้วแต่ถืออีกนะครับใส่ถ awesome. eh ้าเก่งกอีกไม่แต่แต่อก็อีกอย่างเดี้ยจิตใจที่จะว่าท่านจะทำอะไรกันมันเม็นจิตมันหลงท้องเก่ามัทนท้องเก่ามันทุกขท่องเก่าไม่ใจให่ท้องใหม่ไม่ใจชื่ใหม่แต่าพักเข่าใจว่าเป็นท้องใหม่ เพื่อเพื่อนใจจะความคิดของเก่าใช่หวลายกับข้อเก่าเสียงกับขเก่าหยุดนัดข้อเก่าเงจเลอยเวลาเดีเเ็นมีากหมีอยากฟังเวลาเวลายินดีจะยิดมีอมีอม เขาะว่าท่านจิต่ิ่มทำเป็นอย่างนั้นแต่จิดยิ้ทเป็นอย่างนั้นแก้ไขจิตที่มีจิตข้องขอ ง, งใจตกไปห ย, ยุดไปหยุดมีจิตคอยยนดีคอทั่งผัดแต่ในจิตเที่บ่าอาจทำแล้วเห็นตามความจริแล้วไ ม, ไ, มมไม่ใช่ไม่ชอบไนดีกันหช่ ยก็สตา่เรื่องทานั้นเรื่องมื่า่าตาเ่ท่านอนกมีจนเยัไปนี morning, ่มขบ่งจปรื่เกิข <k complaint> ึ <cleansing> ้นแเวลาที่จะเียไม่แต่สลายายที่น้ทั้งาังขานโก พ่องไหนใครใจเรื่องไหนไม่มีอะมหลอกเราเราสงบเราสงบแต่ถึงเราไม่มีอะที่จะมีเหยื่อเยจินบาางวันกอย่งนี้เพออะเราจอขึ้นก็ทราบว่าจิตเจอขึ้นเรา่งดับบ้า ในกำลังี่จะหนึ่งนะพอแล้วมาลูบดาบลูบไม่ละเอียดนะว่าลูบถึงนับถือ เ่องหนบดูบเเเีเรื่อน่องาที่ไหนเรนึ่เอามทังกาทังใจมนล่นอตลอดเวลาเวลาเกิดธรรมะเกิดังเจิตใจทั้งตจิมจควล่ น, ลลนอยนโยนไปฝากถ้ายันมีคนดทำตัวเาล่นปเพลินในเล่หน มนดูเรื่องทั้งตัวดูเลยจิตใจมีปุ่จิตมีจิตมีข้อต่างๆมีจะละจาวางเงื่อนไขเนาะพอดูข้างในกะบ้าแล้วเช่มไถั่วใส่ถุงเขามาเกิดนี่จุ่มอยู่ตลอดเวลามีเชือกต่างๆเลยนะถือว่ามันแบมีสติตลอ นเป็นเลื่งของคนไทยแเรื่องไหิดตัวไปจะให้ปวดทุกข์มากปวดจนติดข้อปวดจนโยกปวดจนยืด ก็ต่องารสอนก็ออกจากตาจากใจออกจากพระไ ท, ย อ, ย, ทยอันบริสุทธิ์ของพระองค์ไม่ใช่ไปหาจากที่อื่นแต่ถ้นานาแล้วคนในตาในสอนสอนก็ได้แ ล, แล้วอย่างไรอย่างจงจิตจงใจใจ กุ <Gree ley> so ้ยต้อยเก่าลองคัดเลือกสัมมาังแต่เราเคยเรีไม่เขียนได้เราอากจะเขียนไม่อยากจะได้เจะเขียนไม่ได้ทีนี้มีปากกามีกระดาษเขียนก็เขียนหนัอตัวก่เขียนไปทีเล็ทีหน้ากุต้อเก่ามันเอาตัวหนูนะขะที่ราทำสม ของเก่าหรือซ้ที่ความจริงความคิดความใจของเราจะทำอะไรเดียวกันของเก่าวอกวนหนุนล้อเสีมาเม่าของเก่าแต่เราเขียนอยูงนีตเป็นเป็นตัวเหยื่อไปแต่เราหยุดเขียนถึงจะมีปากนากระดาษอยู่ในกรณีเขียนสื่เกี่ยวกับงานที่เสียน เวพาะตัวนี้มีสิ่งอย่างไรจะทราบหรือทราบจาควาสุข through mm -hmm. มันสะยังอยู่หนังจิตใจเชื่อมใจนยังอยู่ถ้มัเป็นังจะเชื่อมแ่ความฝุ่นมันเป็นหนังหนังใครเห็นใครเชอในตัวท่านตื่กแล้วกาอุบายที่ดสอนตื่นตใจจตใเห็นเขาเรานี่สมัยนี้เราทำอย่างไรเราจเป็นไปอย่างนั้น พี่รับาหักเพิ่มหนักอีกยังมีทางปฏิบัติทให้เวลาเรียนหนเรียนอีกพื่อการิบานาเป็นใจทั้งตัวมีสัมผัสอาทางธรรมผกเชื่อมหนในตัวมีเชื Notice, yeah. ่อ อนอีมีเคงวาเคนั้นในจตสูัตินังก่าม่เห็นมีคนมเ Let me be. ก็นเลยมาถามมเคยกินเกิเจริญมีเท่าขอขอสิมค่ะมันเคยินดีม่นจะดีเอาเพราะมันเคยเลอกคิดจะเอาไปกดับตัวขนมามันเลอกคิดอยกจะสะสมใหู้าหน่่นาทึ่งข้าหนงน ในเครื่องบินดีในเครื่องบอะไรจะไม่รู้เรื่องในทุกอย่านะแต่เั็น้วันนี้าหล่ข้าหล้างยี่นี่ยวเกลาขายเหน่ายแขนหรืองบินมีเราข้ามาการฝึกอบรมิตใจคือสิ่งท่เห็นในใจภาในแต่ทำาเดียวกัน ธรรมะของทานจะเป็นขอปอยเสดยิ่เนไหนพระเจ้าธรรมะเป็นของปลเป็นห้า่าไม่ได้จะฆ่า่าสี่้านปีแฉ่าไได้เพราะคุณฆ่าส่าแต่เ่องเาวงคะหาอะไรจธรรมะ เพียเันน้าเราก็พีพวกห้หเ ท, ท น, ออนั้น่ากันังกันแตกเอาทว้างาา ย, ายินดีในของดีถี่กแต้าหลังหำเสร็จยินดีสำนกเสเอบตินสิ่ททางทั่วไปชอบคทางทั่วไปยินดี